Thank mm -hmm. you.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 เพราะว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นอยู่ตั้งนานแล้วและที่จริงมันก็ ก, อ ง, กองอยู่บนพื้นด้วยแต่เป็นพ่อเราไปแบกเองความทุกข์เกิดขึ้นจากการที่เราไปแบกเอาไว้จะไปโทษถินไม่ได้น้ำแหลมในป่าหรือว่าน้ำแหลมของกุหลาบ ก็มีอยู่อย่างนั้นต้องนานแล้วนะแต่ถ้าเราไปเดินเตะเข้าหรือว่าไปจับถูกแล้วก็ถูกทิมถูกแทงเข้าถูกน้ําต่ำเราอย่าไปโทษน้ำนะต้องกลับมาดูที่ตัวเราว่าเป็นเพราะเราไปเดินเตะเอง เป็นเพราะเราไปจับไม่ถูกที่ถูกทางบางทีก้อนหินก็กองอยู่บนพื้นแต่เราเดินไปเตะเข้านะคนจำนวนมากพอเจ็บเข้าก็ไปโทษก้อนหินแต่ว่าไม่ได้โทษตัวเองว่าเราไปเดินเตะได้อย่างไรความทุกข์ที่เกิดขึ้น กับตัวเราเลยเพราะความทุกข์ที่ใจเนี่ยเวลาเกิดขึ้นเรามักจะไปโทษสิ่งภายนอกไปโทษคำพูดของผู้คนไปโทษการกระทําของคนบางคนไปโทษดินฟ้าอากาศที่จริงอันนั้นมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่เป็นเพราะว่า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 ในความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกหนักก็หายไปแต่ก็ไม่ยอมนะส่วนใหญ่ไม่ยอมก็ยังแบกเอาไว้ทุกข์ก็ยังแบกเอาไว้อันนี้เพราะอะไรนะเพราะความไม่รู้ตัวเหมือนคนที่ตกใจเวลาไฟไหม้บ้านก็พยายามจะขนทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในบ้านออกไปจากกองเพลิง จะได้ความตื่นตกใจก็แทนที่จะไปหยิบโนนที่ดินหรือว่าเพชรนินจินดาขมากับแบกโอค์ออกมาจากบ้านในออค์นี่แถมมีน้ำด้วยนะไอตอนแบกนี่ก็ไม่รู้สึกหนักนะถามว่าความหนักมีไหมมีแต่ว่าเวลาตอนที่แบกไปนี่มันไม่รู้ตัว ไม่รู้ตัวเพราะอะไรเพรตื่นตกใจที่ยิ่งวิ่งยิ่งเหนื่อยนะแต่ก็ไม่รู้ลาเป็นพ่อแบกเอาไว้แบกโอ่งเอาไว้พอวิ่งมาได้สักพักปลอดภัยและความตื่นกลัวตื่นตกใจหายไปก็เลยรู้สึกหนักหนักพ่ออะไรออพ่อแบกแบกโอ่งเอาไว้ พอรู้เท่านั้นแหละมันวางเองเลยพอรู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยการปล่อยกรารวางก็เกิดขึ้นได้แต่ทาไมรู้ตัวเมื่อไหร่ก็ยังแบกเอาไว้แล้วก็ทุกเองก็มีเหมือนกันนะที่รู้ว่าทุกนะแต่ว่าก็ไปโทษไปโทษสิ่งโน้นสิ่งนี้รู้ว่านักก็ไปโทษก้อนหินแต่ว่า แล้วทำไมไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางน้ำแลมันก็มีอยู่ตรงนั้นต้องนานแล้วใจเป็นพ่อเราเดินไปเตะหรือเอามือไปจับทำไมถึงไปเตะหรือเอามือไปจับเพราะไม่เห็นเพราะไม่รู้ไอ้ความไม่รู้นี่แหละเนี่ยที่มันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมากับผู้คน บางทีความไม่รู้นี่ไม่ได้แปลว่าไม่เห็นนะอาจจะเห็นก็ได้แต่เห็นเป็นอื่นไปเช่นเห็นน้ําแฉกเนี่ยเป็นดอกไม้ก็ไปความหมับเข้าบอกว่าไม่ใช่ดอกไม้มันเป็นหนามก็ทิ่มเอาหรือว่าไปเห็นก้อนหินนึกว่าเป็นกองนุ่นนะก็เลยไป กลายไปเตะมันหรือเห็นเป็นฟุตบอลก็หมายว่าจะไปเตะมันบอกว่าไปเตะเอาหินเข้าปวดพอปวดเข้าเป็นงานเกิดโทสะไอตอนที่เห็นก้อนหินนึกว่าเป็นฟุตบอลเนี่ยอยากได้หยิบมันขึ้นมาไอตอนอยากได้นี่ก็เรียกว่าโลภ นหนามแหลมนู่นเป็นดอกไม้ก็อยากจะเข้าไปจับมันอยากจะเข้าไปดมอยากจะเข้าไปครอบครองเด็ดมันอันนี้เรียกว่าโลภะแต่พอไปจับมันเข้าที่เคยเป็นดอกไม้กลายเป็ น, น้นาแหลมก็ทิ่มเอาเจ็บเกิดโทสะขึ้นความโกรธความไม่พอใจนู่อก่อนเห็นเป็น พุตบธนจะหยิบมันขึ้นมาหมายจะเตะพอเตะเข้ า, เาพอหยิบเข้ามาอ้วนหนักหรือว่าไม่ทันหยิบเห็นมันก็เตะเลยไปเตะเหินเข้าก็เจ็บโทสะเกิดขึ้นทั้งโลภะโทสะหรือว่าความชอบอยากครอบครองและการอยากผลักสายก็เกิดจากการที่หลงนะคือโมหะเราไปหลงว่า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 มีน้ำแหลนซ่อนอยู่หรือว่าแท้จริงแล้วมันเป็นของหนักแต่เพราะความไม่รู้เราก็เลยไปเกี่ยวข้องกับมันจยงไม่ถูกต้องไม่ระมัดระวังเจอหินก็แบกหรือไม่ก็ไปเตะเอาเจอน้าก็ไปจับมันเข้ามาอันนี้เพราะความหลงเพราะความมีอวิชชา ความไม่รู้ที่พู้เจ้าบอกว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์เนี่ยนะอย่างที่เราสวดทำวัดตอนเช้าเนี่ยว่าโดยย อ, อ, อุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกขันทั้งหนี่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละทั้งรูปธรรมและนามธรรมมันเป็นตัวทุกข์ก็หมายความว่ามันมันไม่มีความสมบูรณ์มันมีความพร่องมันพร้อมจะทําให้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 ดอกไม้จากก้อนหินกลายเป็นปูนนุ่นทําไม่ได้หรอกสิ่งที่เราควรทําคือว่าเกี่ยวข้องกับมันให้เป็นเช่นถ้ามันเป็นน้ําแหลมก็อย่าไปถูกมันอย่าไปเตะมันถ้าเป็นก้อนหินก็อย่าไปแบกบที่พระเจ้าสอนที่ก็สอนเรื่องนี้แหละคือสอนให้เรารู้ว่าไอ้สิ่งเท่าไหลายทั้งปวงนะที่มันน่าใคราน่าพอใจหมายครอบครองเนี่ยแท้จริงมันมี นามซ่อนอยู่หรือถ้าจริงเป็นของหนักหรือแถ้าจริงมันเป็นของร้อนเมื่อทีท่านก็เปรี่ยนมากับฐานแดงๆฐานแดงๆเนี่ยถ้าเราไปหยิบมันขึ้นมาก็มันก็ร้อนแต่หลายคนส่วนใหญ่ก็มองไม่เห็นหรือไปเข้าใจว่ามันเป็นเป็นทองเป็นเพชรนินจินดาก็อยากครอบครองมัน หรือถ้าปุ้ยให้มันชั่นหน่ยคือมันก็ว่าเห็นกล่องอยู่กล่องหนึ่งก็คือว่ามันเป็นกล่องกล่องเพชรอยากได้ทุกคนก็แย่งกันอยากได้แต่บอกว่าในนั้นมันไม่ใช่เพชรแต่เป็นงูเป็นอสารพิษที่ซุกซ่อนอยู่อันนี้ท่านเปรียบมันก็ว่าสิ่งที่เราเรียกว่ากามสิ่งที่เราเรียกว่าหน้าสิ่งที่น่าพอใจ ไม่ว่าเป็นเงินทองไม่ว่าอาหารไม่ว่าทรัพสมบัติพวกนี้เนี่ยมันมันเจือไปด้วยโทษหรือว่ามันซ่อนโทษเอาไว้แต่เราด้วยความไม่รู้นะด้วยความมียวิชาเราก็นุ่มเป็นของดีนะของวิเศษของประเสริฐแย่งกันอยากได้เช่นอยากได้เงินอยากได้ทองอยากได้เพชรในจินดาเสร็จแล้วได้มาเป็นไง ได้มาก็ร้อนใจกังวลว่ามีคนกลัวคนจะมาเอาไปกลัวว่าคนจะขโมยกลั ว, วคนจะมาขอกลัวว่ามันจะสูญสลายหายไปอย่างที่เคยเรา ว, ว่ามีทองท่องหนวดกุ้งสะดุ้งทั้งคืนเคยเรียนสำนวนนี่ไหมมีทองเท่อาหนวดกุ้งสะดุ้งทั้งคื น, ค, น, น, น, ค, นคืออย่าว่าแต่ทองเป็นแท่งเลยแค่เท่าหนวดกุ้งนี่ก็ ทำให้คนร้อนใจแล้วอันนี้แหละก็เปลี่ยนเหมือนกับ น, น้ำแหลมที่มันซ่อนอยู่ที่มันทิมแทงใจหรือมันก็เป็นของหนักเป็นก้อนหินที่เราเนื่องเป็นของเบามีเมื่อไหร่ก็หนักใจเมื่อ น, นั้นคนที่มีตำแหน่งสูงๆทีแรกก็ดีใจนะที่ได้ตำแหน่งเป็นผ อ, อ, อเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการเป็นอาิ บ, บดี เป็นประการกระทรวงรัฐมนตรีมีความสุขดีใจแต่ว่าก็มีความกังวลหลังจากนั้นก็กังวลกังวลหรือกลัวว่าคนหนึ่งเขาจะมาแย่งออกไปมาแย่งเอาตำแหน่งไปก็กลายเป็นอยู่ร่อนนอนทุกข์ไปอันนี้เรียกว่าเจอหนามมันทิ่มเขาแล้หรือว่าไปแบกของหนักซะละเจอของร้อนแล้ว นี่คือความจริงนะที่มันมีอยู่หรือเป็นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้เจ้าว่าเนี่ยสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์หรือว่าโลกนี้เป็นทุกข์ก็คือความหมายนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีความสุขให้เราได้เสพแต่มันก็ซ่อนความทุกข์เอาไว้เหมือนกับปลาที่อร่อยก็จริงแต่มีก้างแล้วก็ เป็นก้างที่แหลมด้วยถ้าเรากินปลาแบบนี้แล้วเราไม่ระมัดระวังไม่มีสติก้างปลาก็ต่าคอต่ปาปากเหมือนที่ท่านก็เปรี่ยบเหมือนกับเหมือนเราเนี่ยเป็นเหมือนกับปลานะที่เห็นเห็นเหยื่อมันลอยอยู่ในน้ําเห็นเหยื่อเห็นนอนเ่อมันอร่อยนะตัวใหญ่ด้วยก็ไหวไป คว้าหมับเข้าไปทีแรกก็อร่อยนะดีใจที่ได้กินเหยื่อแต่สักพักก็เจ็บเจ็บเพราะอะไรเพราะเบ็ดมันแทงเอาเบ็ดมันซ่อนอยู่ทีแรกมองไม่เห็นแต่พอเข้าไปคว้ามันเบ็ดมันก็แสดงตัวทิมเข้าไปเจ็บดีใจได้ประเดี๋ยวเดียวใส่แล้วก็ตามมาด้วยความเจ็บความปวดความทุกข์ น, นีแหละคือความหมายที่ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ก็คือว่า ม, มันมีความทุกซ่อนอยู่มากบ้างน้อยบ้างและพร้อมจะแสดงตัวออกมามันมอนีอยู่ในทุกสิ่งแม้กระทั่งในตัวเราในร่างกายของเรามันก็มีทุกข์หลายคนก็เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของดีของงามอยากจะทะนุถนอมนะต้องประดับประดา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 แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่รอให้ความปวดความเมื่อยมารุนแรงก็ขยับมันที่ขยับโดยไม่รู้ตัวนะเพราะว่าความเจ็บมันบังคับมันเรียกร้องเรานั่งที่แรกนั่งขัดสมาธิก็สบายตอหลังเริ่มเมื่อยเมื่อยทำไงเอาพิงเสาพิงเสาก็สบายแต่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงความเมื่อยก็ปรากฏไม่ไหวแล้วพิงเสานอนดีกว่า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 ด้วยการหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกแต่ถ้าเราหายใจแค่เข้าอย่างเดียวหรือออกอย่างเดียวนะทุกมันแสดงตัวให้เราเห็นชัดเลยนี่คือธรรมชาติของของร่างกายของเราที่เราคิดว่าเป็นของดีของกระเสริรที่เราเชื่อมันจะให้ความสุขกับเราได้เราทะนุถนอมมันแต่ยังไงก็ตามมันก็เจอไปได้วยทุก ซึ่งตอนหนุ่มๆสาวๆอาจจะแสดงตัวไม่บ่อยนับแต่ว่ามันซ่อนอยู่ความแก่นี่มันก็แสดงตัวตลอดเวลาแต่มันแสดงตัวเทลนิดเชลนิดจะเห็นก็ต่อเมื่อผ่านไปแล้ว5ปีเริ่มเริ่มเหี่ยวเริ่มยน่นมันเมื่อเข็มชั่วโมงนะเข็มชั่วโมงเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่กระดิกเลยมันไม่ขยับ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 ในร่างกายเรามีความตายเกิดขึ้นตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่รู้ไม่สังเกตมีคนก็ประมาณว่าเนี่ยในร่างกายเรามีเซลล์ตายทุกวันเนี่ยประมาณห้าหมืนถึงแสนล้านเซลห้าหมื่นถึงแสนล้านเซลล์มันตัวเลขศูนย์นี่มันกี่ตัวยังนึกไม่ออกเป็นสิบตัวเลยนี่มันเกิดขึ้นกับร่างกายเราทุกวันนะ ความตายเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาแต่ว่ามันเกิดขึ้นในในระดับที่เล็กจะก็ไม่น้อยนะมันมากแสนล้านหมืน่นห้าหมื่นล้านนี่ก็มากทีเดียวแต่ว่ามันไม่เกิดผลให้ร่างกายของเราเจ็บป่วยเพราะมันมีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาแทนในปริมาณเท่าๆกันไล่เลี่ยกนนั่นนี่แหละที่พระเจ้าจตัดว่าเนี่ยความตายมีอยู่ในชีวิต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 หินหนักหรือว่าฐานก้อนแดงๆเราเกิดมาในบรรยากาศแบบนี้ในสิ่งวัลลองค์แบบนี้นะก็ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆให้เป็นก็คือไม่ไปแบกบเอาไว้ไม่ไปเดินเตะมันถ้าเราไปเดินเตะไปแบกมันนั้นเราก็ทุกข์แล้วก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าเราทุกข์หรือว่าเราทาเช่นนั้นก็เพราะว่าเราไม่รู้ เราหลงเราไปเห็นกงจักเป็นดอกบัวเราไปเห็นน้ําแหลมเป็นดอกไม้เมื่อกี้ที่เราเห็นเงินทองเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาโดยที่มองไม่เห็นโทษของมันเลยอันนี้เรียกว่าอวิชชาความไม่รู้หรือว่าโมหะด้านนั่นแหละคือที่มาของความทุกข์เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ที่ทางพันเรียกว่าสมุทัยนะสมุทัยต้นเหตแห่งทุกข์ ก็คือการที่เราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆด้วยความไม่รู้เราอย่าไปโทษสิ่งต่างๆแม้ว่าสิ่งต่างมันจะพร่องมันจะไม่สมบูรณ์แม้มันจะเจอไปได้ยทุกเพราะมันเป็นกันอย่างนั้นอยู่ต้องนานแล้วเวลาผู้เจ้าบอกว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์เนี่ยหรือว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์อันนี้ก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์แต่ว่ามันไม่ใช่เหตุแห่งทุกข์ ไปแทงทักขคือความที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วเราก็เลยไปอยากได้มันอยากครอบครองมันหรือว่าไม่เห็นก็เดินไปเตะมันไปถูกมันสิ่งที่เราสมุดไทยคือความไม่รู้อวิชชาและพอไม่รู้ก็ทําให้เกิดความอยากได้นะีอยากครอบครองพอไปครอบครองมันไปถูกมันไปแบ่งมันโอ้ก็เป็นทุกข์ พราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทําคือว่ามาทําที่ตัวเราก็คือทําให้มีปัญญาเกิดขึ้นมีวิชามาแทนที่อวิชาเห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงว่ามันเจือไปด้วยทุกข์มันเป็นสิ่งที่ถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับมันเมื่อไหร่หรือเกี่ยวข้องไม่ถูกก็สามารถทําให้เราเป็นทุกข์ได้ น้ำแหลมถ้าเราจับเบาๆนะมันก็ไม่ทิ่มเราก้อนหินถ้าเรารู้ว่ามันอยู่บนพืชเราไม่ไปเตะมันเราก็เดินลีกเราก็ไม่ทุกข์ปลาที่มีก้างถ้าเรากินแระมัดระวังก้างมันก็ไม่ตำคอนหลายคนก็รู้จักวิธีกินปลาปลาจะมีก้างยังไงก็ไม่รู้สึกเจ็บนะเพราะว่าระมัดระวัง เพราะว่ามีสติรู้ตัวก็ทำให้ก้างเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็เป็นก็เปยดเมื่อคนที่มีปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วแม้จะรู้ว่าโอตรงนี้ก็หินตรงนี้ก็น้ำนะตรงนี้ก็ฐานก้อนแดงๆ แ, แต่ว่าก็เดินผ่านไปได้อย่างสบายโดยที่ไม่เจ็บไม่ปวด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 เปี่ยมันกับลิ้นที่อยู่ในปากงูปากงูมันมีเขี้ยวแหลมนะแต่ลิ้นก็ลิ้น ม, มันก็ไม่เคยถูกเขี้ยวแหลมทิ่มเอาเลยอันนี้แหละคือวิสัยของผู้ที่มีปัญญาที่รู้แจ้งในโลกก็สามารถเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆได้ไม่ได้ปฏิเสธโลกอาหารอร่อยก็ไม่ปฏิเสธ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 หรือลูกค่าพ่อก็เพราะราชสมบัติหรือยางต่ำๆก็ขอรับชั่นทำผิดกฎหมายทำผิดศีลผิดทางก็เพื่อเงินอันนี้แสดงว่ามันเป็นนายเราแล้วแลวที่ปล่อยให้เป็นนายเราก็เพราะความไม่รู้อวิชชาพวกเราจะไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่ว่าไอ้ความไม่รู้ก็ทำให้เราไปแบกยึดสิ่งต่างๆมากมายเอาคาพูดคาจาของผู้คน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 เศษแก้มก็บาดนิ้วบาดมือเอาอย่าไปโทษเศษแก้วนะว่ามันทำให้เราเลือดไหลต้องไปโทษตัวเรานะว่าทำไมไปกรรมมันเอาไว้ทำไมกรมแล้วไม่พอไปบีบด้วยคนเราก็จะไปโทษเศษแก้วทำให้ฉันเจ็บฉันเจ็บเหมือนกับที่เราไปโทษคำพูดหรือการกระทาของของคนบางคนเช่นเจ้านายเพื่อร่วม ง, งานหรือคนรัก นะว่าทําให้ฉันทุกข์คำพูดเรานะั้นมันก็เป็นเหมือนกับเหมือนกับลมนะที่ผ่านมาแล้วมาแล้วก็ไปคําพูดนี้เขาเรียกว่าลมปากลมปากที่มันก็มาแล้วก็ไปแต่ทําไมมันยังค้างอยู่ในใจเราได้ใจเราไปช่วยไปยึดเอาไว้แล้วลมปากนี่ถ้าไปแบบไปเยอะไว้นะมันหนักยิ่งกว่าหินอีกนะ ลมปากนี่มันไม่มีน้ำหนักแต่พอใจไปแบกไปยึดไปนี่มันหนักทีเดียวหนักอกหนักใจเราหนักอกหนักใจนี่รว้แล้วแต่สิ่งที่มันเป็นนามธรรมทั้งนั้นแม้เราจะหนักใจเรื่องรถเรื่องบ้านแต่จริงไอ้ที่หนักอกหนักใจคือคือความคิดถึงมันพอคิดถึงบ้านพอคิดถึงรถที่ต้องผ่อนหนักใจเลยอันนั้นแหละไอ้ความคิดมันเป็นนามธรรม แต่มันทำให้เราทุกข์ได้บางทียิ่งกว่าแบกของหนักจริงๆยิ่งกว่าแบกก้อนหินสิอันนี้เพราะอะไรเพราะใจที่ไม่รู้ใจที่ไม่รู้ไม่รู้ตัวว่าแบกเอาไว้อาการปฏิบัติที่นี้เนี่ยเราจะเน้เรื่องการสร้างสตินะและสัมปชัญญะสติเรียกง่ายง่ายว่า ไม่ลืมสัมปันญยาคือไม่หลงจะเรียกวความรู้ตัวก็ได้ถ้าเราลืมตัวนะใจลอยเราก็ไม่รู้ตัวแล้วเวลาเราสวดมนต์ถ้าเราสวดโดยที่ปล่อยใจลอยเราก็สวดผิดๆถูกๆอันนี้ก็เรียกว่าหลงละที่แรกมันลืมตัวก่อนใจลอย เสร็จแล้วก็เลยไม่รู้ตัวด้วยเลยทำอะไรผิดผิดพลาดพลาดไม่ถูกต้องแต่ตอนนี้ที่เรามีสติรู้ว่าใจลอยไปแล้วเอากลับมาความรู้ตัวเกิดขึ้นจิตมาอยู่กันเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้ตัวความรู้ตัวนี่ก็ทำให้เราทำเส่ต่างตา่างได้อย่างถูกต้องอ่านบทสวดมันก็อ่านได้ถูกต้อง ทำงานก็ทำได้ถูกต้องสติกับความรู้ตัวเนี่ยมันเกื้อกูลสันมากซึ่งจะทำให้เราเนี่ยไม่ไปไม่ไปเผลอแบกเอาสิ่งต่างๆที่รู้แล้วแต่เป็นทุกข์รู้แล้วแต่เป็นโทษมาทำร้ายจิตใจสติมันทาให้เราเห็นว่าโอที่แท้เป็นเพราะความคิดของเราต่างหากที่เป็นต้นต่อของความทุกข์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 คนที่เขาต่อว่าด่าทอเราบางทีใจก็ไหลไปไปที่ห้องพักบ้างไหลไปที่เสียงไหลไปต้นเสียงที่มันดังบ้างบางทีก็ไหลไปหายุ่งที่มาเกาะบ้างที่แรกก็ลอยที่แรกก็ไหลไปไปมาก็จมเล ย, เยจมอยู่ในความทุกข์จมอยู่ในอารมณ์จมอยู่ในความวิตกกังวล อันนี้เป็นพาะความคิดแท้ๆเป็นความคิดที่ไม่มีสติเป็นความคิดที่เกิดจากการที่ไม่มีสติเข้าไปกำกับแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันวางมันลงได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวคนเราที่อยู่ความรู้สึกตัวเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีแต่ความเบาหมายหมายพวกเราเนี่อาจจะยังไม่ค่อยรู้ว่าความรู้สึกตัวเป็นอย่างไร แต่ก็เปรียบเทียบได้นะเหมือนกับเวลาเราตื่นขึ้นมาแล้วเรางงเงียลเรางงเงียเสร็จเราหลับไปสักพักเราตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเองไอ้ตอนตื่นเนี่ยมารู้สึกตัวคุณภาพของจิตมันจะต่างจากตอนที่งงเงียตอนที่หลับไปเลยมันต่างกันมากนะระหว่างความรู้สึกตัวกับความหลับไหลแต่นี่นเป็นความรู้สึกตัวอ่อนๆนะ ถาเรารู้สึกตัวอยั ง, อยงมีสัมปชัญญะจริงๆนี่ความงงเงี่ยมันหายปไปมันมีแต่ความตื่นความเบานะความแจ่มใสซึ่งก็ทําให้เราเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องมากขึ้นสติสัมปชัญญะนี่แหละที่จะนำพาเราไปสู่การมีปัญญาการการมีวิ ช, ชามาแทนที่อวิ ช, ชาการเจริญสติมันจะนําไปสู่การ ทำวิปัสสนาที่จะทำให้เราเห็นความจริงของสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องเริ่มจากการเห็นความจริงเกี่ยวกับกายและใจแล้วก็รู้ว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยไม่ใช่เราทุกเลยมันไม่มีเราที่ทุกเลยมันมีแต่กายกับใจที่ทุกไม่ใช่เราทุกมีท่านหนึ่งเ็าเขียนชื่อหนังสือดีนะบอกว่าความจริงแล้วไม่มีใครทุกนะ ความจริงแล้วไม่มีใครทุกข์ไม่มีเราทุกข์ด้วยเพราะตัวเรามันไม่มีจริงมันมีแต่กายกับใจแต่เพราะอวิชชาเนี่ยแหละที่ทําให้เราไปเชื่อว่ามีตัวเรามีตัวกูของกูขึ้นมาแต่พอเราเห็นความจริงว่ามั น, มนไม่มีเรามันมีแต่กายกระับใจรูปกับน้ำในที่ทุกข์นี่มันคือทุกข์ที่เกิดกับรูปกับน้ำไม่ใช่เกิดกับเราความสุขไม่มีเราทุกข์ไม่มีฉันทุกข์นี่มันช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ไปได้เยอะเลย